เราก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็คลี่บันดาลให้ <c oughs> ถ้าจะพูดคําประคุณเรื่องธรรมนาหรือดูเกี่ยวข่าวไปพูดเรื่องเกี่ยว ตัวโดไทยนาก็คิดฝันคิดมากกันฝันว่าราย ยกพลังไปเกี่ยวเข้าในบ่าก็รู้สึกมันกินมันเป็นเนื้อมันเป็น แต่มีหลักก็ตามเมื่อถูกแบ่งปันก็ไม่ <c oughs> Okay, ให้เกิดให้เกิดรู้สึกตัวความเงากับจังหวะหรือกับไอ้ความต่างๆก็ มันเป็นชีวิตชีวาสรรพสัตว์สรรพกรได้เนื้อได้น้ำ ตาทั้งโหทั้งใจทั้งกายไปกับโลกเคลื่อนไหวยังไงล้มลุก สำเร็จสำเร็จเป็นปริญญา 1 ได้ปริญญาตรีรูปคน 2 ปริญญา 3 ได้ปริญญาเอกครับบาง 1 นั่ง ในนั้นน่ะได้น้ํามาเดียวกันพอเห็นรูปก็สติพอได้ยินเสียงก็สติสมองก็คิดเล่นได้ลดก็สติจิตใจที่มันคิดก็รู้ว่าเล่นรู้สติเท่า เราทําสถิติในห้องเราก็ขอให้มีความมั่นใจเราทําอะไรให้มีความมั่นใจเราเป็นชาวนาเราก็มั่นใจเราทํานาเนี่ยคนที่กล้ามั่นใจเนาะคือเราปลูกข้าว อ่มั่นใจบางทีเอ่อตรงไหนที่มันตรงเพิงอื่นมันมีน้ําตรงหน้าหนองคังมันปู่ชอบ เอ่อเค้าทำอะไรได้เยอะล่ะไม่เสร็จเราทําอะไรนี่เป็นฝีมือทํางานทํามีฝี แต่มันมีเฝือมันก็มันก็สําเร็จทําอะไร ไอ้สักครั้งเนี่ยให้ทําในจุดที่ 1 ไม่มี อะไรอะไรก็สําคัญไม่มีความสําคัญถ้าเราเจริญสติน่ะ แต่ว่าให้ทําได้หลักๆรวมๆเอาแต่ <c oughs> <c oughs> แย่ก็เป็นเทพเทวะนะแต่ถ้าเราเป็นนักบทถ้าเป็นนักบทจริงแล้วก็ที่ว่ารับใช้ทั้งหมดช่วงมัน สมัยตอนนั้นถ้าเป็นเรื่องความดีไม่ใช่ว่าอยากจะช่วยเออไปเทงอมือห่อเท้าเออเป็นสมมุติมันก็ เค้าก็ทําได้ของพ่อของพ่อไม่กลัวผีของพ่อหลวงพ่อเป็นพระเออพวกเราเป็นโยมต้องกลัวผีเป็นธรรมดาท่านคงก็ น้ำใจความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพราะเมตตากรุณาปัจจมีอยู่และกล่าวว่ามากกว่าอยู่ใน แต่เป็นผู้หญิงด้วยอามะท่านเป็นโยมเป็นผู้หญิงด้วย ก็จะไม่อยากทําบทแล้วก็นอนก็ไม่ทําธรรมวินัยพรรคคนเอออ่ะผู้ ขวาดเยาะๆเลยคงมีโอกาส คุณอึดเรายกมันเองเวลามัน การสัมผัสไปเราสัมผัสไปสัมผัสไปสัมผัสกับความโลภจะเห็นความโลภ คนผู้ดูแลจัดสรรให้ให้อยู่บ้านให้อยู่ในความปกตินะเมื่อเวลาใดที่เดี๋ยวกระเเด่นนั้น โลกก็จับเมฆจับอะไรตกปั้งต่อเงิน ตามปกติโดยเราก็แต่ให้ให้แยกขาดอย่าผิวๆกันเถิดวันเรา ท้องเสียงก็ได้ยินอยู่แต่ว่าเราก็ไม่ อาการเดินลงออกสอพะราดเดินกลับลงมา <c oughs> 9 ลูก 10 ลูกผ่านแม่ไก่ที่มันร้องกะตากะตากะสพอกก็ มันต้องเป็ดปกติมันจึงร้องแบบนี้เพื่อนเดินผ่าน คนเดินมาผ่านศาลาไม่สนใจไม่ได้สนใจแล้วคนก็เลยยืนอยู่เลยขาดไปซะเลยไม่ได้ช่วยเลย อัลเทระมโนธรรมเอาได้ยินปรารถนาถึงก็เอื้อเลยจะสงบาง ก็อุปมาัยปมากับตัวเองถ้าจิตฝั่งซ้ายถ้าจิตฝั่งขวาจุดหมายปลายทางถ้ามาเปรียบเทียบกับความยินดีความยินร้ายปฏิบัติสยบปฏิสถุกคนยินดีมาก็ได้ เป็นเตชะก็ควรนิรันดร์มาประดังออกก็เมื่อเปรียบ เป็นคนช่างต่อช่างลงอาบน้ําคนช่างก็ยืนอยู่คนต่อบอก ขวาหงุดตัวพอข้างซ้ายหงุด เอมหลังเอานวดต้นมาเอาท้องพังเอาท้องโหดต้นมาต้องออกมามาหาเจ้าของปกครองเจ้าของรถเป็นทวนช้างสอนช้างก็มา เอาช่างเป็นโคหะจังเขายังทําได้เราจะไปก่อให้ ความมุ่นความความพุ่งช้านั่นแหละตรงโดยๆความไม่พุ่งช้าความมันต่างกันอยู่กับความปกติเดี๋ยวไปจด เปลี่ยนให้มันถูกมันผิดอยู่ในเราเปลี่ยนให้มันถูกไม่เหรอถ้าไม่ แต่เดี๋ยวจะค่อยตามเอามันห้วยขึ้นน่ะเออมันน่ะลองทวนโดยๆมันจะเก่งไป อะไรเราต้องเหมือนตัวของตัวทางปฏิวัติธรรมต้องเป็นตัวของตัวเพราะมันมีหลักอยู่มันมีสุขอยู่ไม่หลักอยู่เรารู้สักตัวมันเป็น ด้วยการกระทําของเราต่อไปอ่ามอง การจะว่าทําต้องเก่งซะทีไม่ใช่เป็นเด็กไม่ใช่เป็นอ่อนแอกันเลยพอทําแล้วแค่นี้เลยต้องพ่อเอ๊ะยกโอเคแค่นี้แหละ <c oughs> คันเห็นผิดก็ตรงนี้เห็นถูกก็ตรงนี้มันก็ต้องเกิดการเห็นต่างๆเห็นผิดก็ว่าเมื่อเมื่อวน พร้อมลงก็เอาข้อไม่ลงอยู่ในตัวไม่ก้มลงมา แต่มันตั้งต้นทีเดียวกันแต่มัน มันตัวกระทํานั่นน่ะเอ่อรู้แต่มองก็ทํา พอยนต์ไปกรีมเบลมีพลังต้องต้องมีพลังแรงๆเหมือนกับของที่มันแมนแดนทิ้งไปมัน การปรุงโอ๊ยเติมเผืองพลังงานต้องมีต้องใส่ใจต้องเพ่งต้องลำดับต้องลำนําต้องเอาอะไรต่างๆมาอ่า บางคนกินข้าววัวไม่ได้เอาเหล้ามากินไปข้าววัวได้พุงกินเหล้าข้าว ก็เรียกมามาดูมาดูพอดูจริงโดยแท้เนี่ยเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้ แล้วก็ขอเราถามดูว่าทําดูถูกต้องแล้วถูกป่าวไม่นี่เป็นเรื่องชีวิต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 <ใช>เราว่าคนเดียวกันผู้หญิง <c oughs> จะโลก ก็ตั้งไว้ถูกแล้วมัน อ่านักขัตติ้งปริมาณนัตกาอะละเรากระตวะกาลเวลาเมื่อเดี๋ยวนี้เวลาสกาล ความรู้สึกตัวตัวนั้นเวลาทําอะไรก็เวลาแต่ถ้า ทางได้อะไรอะไรแต่เอาไปโปรดสวด ไม่ดีไอ้เออคิดนะแต่มันคิดได้ดีมากจะได้เห็นบางทีเอ่อสงเคราะห์ของครับส่งไปที่โรงพยาบาลไปแล้วมา <c oughs> เอามาดูกะเอาอ๋อถ้าว่ามันหยิบเอ๊ะมันยังมีลูกในนั้นอีกมันว่างมาก มันว่ามันได้ครับมันไม่มีรถชาติอันที่มันคิดโน่นคิดนี่โอ้มันกลับ ให้เคลียร์ติ๊กเคลียร์ให้หน่อยนะก็ไม่ต้องเคลียร์ไม่ สาเสติไม่ได้เฉลยมันไม่แก่มันไม่มันไม่แก่ครับ Svaka to vaka vata tammo tamman namasani. Vativanom vaka vato sa vaka sangko เคยเราไม่กลัว <c oughs> ต่อโพธิละอ่าโพธิละเออเนนสอนโพธิละโพธิละเนี่ยจบพระไตรปิฎกนะก็ไป กระทั่งไงถึงจะจับตัวเหี้ยได้เนี่ยตัวเหี้ย เอา 5 โหลขุดตามโหล 5 ให้ปิดหมดก็ตามไปแต่ mm hmm. 6 โหลเอาโหลเดียวตามไปทุกข์มัน พรโพดพรโลกพรลงมันอยู่เท่า<ใช> ปิดรูหลวงเข้าตัวรูเข้าไปช่วยยกมือช่วยเจตนาช่วยให้ตัว พอโตโลโตลองออกปิกละพอลงอีกเปิดโตโลมันก็ปิดตัวลงโดยธรรมชาติแต่มันหลงมันโลมัน ปะเน่เรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะทําอะไรให้เราบ่ได้อีกต่อไปจิตของ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 form เป็นประชุชนกรมปกครองราชการล่วงมาแล้วพ้นมา ไปพจน์มนทนก่อนเดี๋ยวแม่แล้วจะพาไปค่ะเออ เพื่อนกันทั้งหมดเพื่อนมนต์วิภาทั้งหมดวันนี้เชิญ เหมือนปราชญ์สะเนาะเป็นเพื่อนของวิชัยมาก่อนอ๋อคุณวิชัยอ่ะอ่าเนี่ย 2 คนน่ะเป็นเพื่อนวิชัยมาตลอดเออตั้งแต่เรียนเสร็จเสร็จไรเนาะเสร็จไรวิชัยเนาะเออพอจะได้ ถ้าไม่ใช่พวกเรามาหลวงพ่อก็ไม่สภาพแบบนี้นะแต่ก่อนหลวง ไม่ว่าจะอยู่คนเดียวไม่ใช่อยู่คนเดียวแล้วก่อนมากินข้าวกับคนน่ะไปทํายังไงเนี่ยก็เลยคิดสร้างศาลาข้างนู้นน่ะ มี 325 รายงาน 3 ไปเงิน 30,000 บาทหลวงพ่อก็ไปประชุมชาวบ้านกันตีกัน สรรพเอ้าหมดแล้วอ้าวหลวงพ่อเป็นสังฆาธิสี